แม้กระทั่งเหตุการณ์ในครัวนี่ก็เป็นเหตุให้บรรลุได้เพราะนั้นไงได้ยินว่าพ่อครัวของพระเจ้าพารณสีตรงพระกาหารในระหว่างน้อมเข้าไปถวายด้วยปรารถนาว่าการเห็นโภชนะที่ฟูใจเป็นรถที่ประเสริฐทําอย่างไรเนาะพระราชาพึงพระราชาทานทรัพย์แก่เราพระราชาพระกาหารนั้น ยังความประสงค์ที่สวยให้เกิดขึ้นแก่พระราชาด้วยกลิ่นเท่านั้นมันพอได้กลิ่นเท่านั้นแหละเกิดพระเคระเกิดขึ้นในพระโอดคือพ่อครัวเนี่ยอยากจะปรุงอาหารให้มันเ อ, เอเร์เดอร่อยถูกใจพระราชาที่สุดความหมายก็ว่าถ้าถูกใจเท่าใดรางวัลก็จะมีเท่านั้นท่านก็เลยปรุงพระกายอาหารเพียงได้กลิ่นเท่านั้นแหละน้ำลายซอออกมาเลย แต่พอพระองค์เนี่ยทรงใส่พระกยายหารคำแรกลงในพระโอษฐ์เส้นประสาทสําหรับรับรสประมาณเจ็ดพันก็ทราบซ่านเหมือนกับถูกน้ำำําอมฤตฉะนั้นก็เลยคิดว่าวันนี้พระราชาเนี่ยพ่อครัวนี่ก็คิดเลยว่าบัดนี้พ ร, าาาพระราชาจับพระราชทานซับแก่เราก็คิด ว, ว่าโอ้โหอร่อยขนาดนี้พระราชาต้อง า, าว่าพิเศษแน่วันนี้ฝ่ายพระราชาก็เลยคิดว่า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 หมายเขาว่าทําตามมีตามเกิดไม่นสนใจอ่ะนะก็เลยไม่ต้องสนใจอะไรพระองค์ก็สวยได้หมดอะ่ะเพราะพระองค์เป็นกลุ่มลิ้นจร์เคไปแล้วห่วงกันอาหารอร่อยไม่อร่อยอยังไงพระองค์ก็สวยหมดแต่ไม่เห็นว่าอะไรสักอย่างอาหารพิเศษขนาดไหนก็เงียบอาหารเลวขนาดไหนก็เงียบปิดก็เห็นมีอะไรพก็อยากทําอะไรก็ทําตามใจหมดกันนะพระราชาก็เลยเบื่อเบื่อว่าโอ้ยความโลภนะเนะ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 สีที่น่าปรารถนาะเสียงที่น่าปรารถนาะกลิ่นที่น่าปรานะรถนารสที่น่าปรารถนาะโดยเฉพาะรสที่น่าปรารถนาเนี่ยเป็นที่ติดของหมูสัตว์เนี่ยมากเมื่อไม่ได้รสรับรสที่น่าปรารถนาเนี่ยพระราชาก็เลยคิดว่าโอ้มันก็มีประโยชน์อะไรบ้างเนี่ยคือหมายว่าการอย่างที่บังโคลยมบางคนเขาบอกว่ามันมีประโยชน์อะไรทํามาหากินแล้วก็ต้องมากินอะไรที่มันไม่มีรสชาติแบบนี้นะแล้วทำไปทําไมเขาว่างั้นคือคาำว่าหมดอะไรตาอยากในสิ่งที่ตัวเองทาหมดเลย ในนี้พระราชาก็คิดในลักษณะนั้นก็ไม่เห็นว่ามันมีนมอะไรเลยไปวันวันหนึ่งก็เลยสละราชสมบัติพนวดบวชแล้วก็เห็นแจ้งบรรลุเป็นพระประเจกผู้เทเจ้าพอบวชแล้วก็ตรัสเป็นคาถาว่าบุคคลผู้ไม่โลภไม่หลอกลวงไม่มีความกระหายไม่ลบลูมีโมหะดุดน้ำฝาดอันขับจัดเสียแล้ว ไม่มีความอยากครอบงําโลกทั้งปวงได้แล้วพึงเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนหนอแรกอธิบายตามลําดับว่านิลโลลุโปก็คือผู้ไม่มีความโลภเนี่ยนะเคลวไรนิละนิละเนี่ยนะก็คือไม่มีนั่นเองไม่มีความโลภเพราะบุคคลใดถูกความอยากในรถครอบงําบุคคลนั้นเรียกว่าย่อมโลภจัด และความโลภนั้นบ่อยๆเรียกว่าโลโู ป, ปะเรียกว่าผู้โลภบก็คือโลภ บ, บ่อยๆชอบบ่อยๆติดในรถบ่อยๆเนี่ยนะนั้นคะำว่าความโลภนั้นเป็นชื่อของตัณหานั่นเองเนี่ยนะท่านบอกว่าวัตถุแห่งความ เ, าเดี็กโ ก, โกหกอีกทีนึง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 อธิบายว่าวัตถุแห่งความโกหกเป็นส่วนแห่งการเสพปัจจัยเนี่ยนะคือใช้ปัจจัยแล้วว่าหลอกลวงด้วยการใช้ปัจจัยเนี่ยเป็นฉไงเช่นว่าพวกเครืหาบดีในโลกนี้นิมนต์ภิกษุด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะขิลานะปัจจัยเพศักบริขารนะคือเขามาประวัณาหรือเขามาถวายปัจจัย4ีเนี่ยนะภิกษุนั้นก็มีความปรารถนาอันเป็นบาป ปรารถนาเป็นบาปเรียกว่าปรารถนาลามมกเนี่ยด้วยอกุศลเจตนาเข้าให้อย่างเนี้ยอยากได้มากกว่านั้นอีกถูกความปรารถนาครอบงำ ม, มีความต้องการในจีวณบินทบาทเสนาสนะและคีฬานะปัจจัยเภศัชบริขารไอใจจริงก็อยากได้แต่อยากได้มากกว่านี้อีกไอที่ให้มานี่ไม่ถูกใจทีนี้ไอาการที่จะให้มันได้มากกว่าเดิมนี่วิธีการทํำยังไงท่านก็บอกว่าบอกเลิกรับบอกไม่เอาอะ มันก็บอกเลิกจีวอนบินทบาทเสนาสนะขีลานะปัจจัยเพศักบริขารแต่บอกเลิกแบบคนมีเรียกว่าเล่เหลี่ยมจัดก็เลยพูดแบบอย่างนี้ว่าสมณะเนี่ยนะจะประสงค์อะไรด้วยจีวอนมีค่ามากเพราะฉะนั้นสมณะนี้ควรจะเที่ยวเลือกเก็บผ้าเก่าๆจากป่าช้าจากกองหยาบเนื้อจากตลาดเอามาทําเป็นผ้าสังขารติบริโภคนั่นเป็นความสมควรจริงๆอยากได้ผ้าชั้นดีแหละแต่ว่า ทีนี้ทาจะให้ได้ผ้าชนิดนั้นได้เนี่ยบอก้ย โ, โน่น่ะไปเก็บค่าบางสกุลมาใช้ก็ได้นันนะนะฟัง้องค์นี้พิเศษหรืออีกคำหนึ่งท่านบอกว่าสมณะเนี่ยนะประสงค์อะไรด้วยบินทบาทมีค่ามากเพราะฉะนั้นสมณะเนี่ยควรเลี้ยงชีวิตด้วยอาหารที่ได้มาด้วยปลีแข้งบินทบาทก็ได้ น, นโดยการเที่ยวสแสวงหานั่นเป็นความสมควรสมณะเนี่ยนะ เขาบอกสมควรแก่สมณะเนี่ยนะบอกโอ้ยอาหารที่เขานีมน์ไปฉันมันยังไงก็ช่งางเถอะกันสู้บินทบาทไม่ได้นะจริงก็อยากฉันอย่างนั้นจะตายอยู่แล้วแต่ว่าอ้างว่าโอ๊ยบินทบาทอยู่ได้เนี่ยนะแต่ก็เรียกว่าเป็นเทคนิคเครียกว่าคําพูดบางคำเนี่ยมันอยู่ที่เจตนาเพันแอบคำพูดบางคำเนี่ยมันเป็นกลลวงอยู่ในนั้นเนี่ยนะพันเรียว่าพูดรู้หรือไม่รู้่คนพูดจะรู้ดีว่าทําไมจึงพูดอย่างนั้น เรายังบางทีอย่างว่าโอ้อร่อยมากนีที่จริงก็ที่พูดอย่างนั้นเนี่ยแบบอะไรนะว่าหลังจะได้อีกเป็นต้นเนี่ยคำพูดบางบางคำเนี่ยแกล้งปฏิเสธเพื่อว่าไอ้คำพูดเนี่ยแล้วแต่ว่าบางทีถ้ากดแล้วได้ก็กดถ้าพูดป้อยอไปแล้วได้ก็ป้ยอไปก็เทคนิคเล่เหลี่ยมหลอกลวงด้วยใช้คําที่เราใช้คําอีกอย่างแต่ประสงค์อีกอย่างนี่ก็เหมือนการใช้คําว่าเหมือนประไม่ประสงค์ต้องการอาหารแต่จริงๆต้องการอาหารนะ หรือว่าสมณะเนี่ยประสงอะไรด้วยเสนาสนะมีค่ามากสมณะพึงอยู่ที่โคนไม้หรืออยู่ที่แจ้งนั่นเป็นความสมควรบอกอุย้ยกุฏิที่มีราคาแพงๆไม่เอาหรอกโคนไม้ก็อยู่ได้กลางแก้งก็อยู่ได้หาผ้ามาทํากลางเต้นก็นอนได้เนี่ยนะจริงจะหลอกลวงจะเอาดีกว่านั้น มันก็หลอกลวงอีกว่าสมนาณะนี่จะประสงค์อะไรด้วยคีฬลานปัจจัยเพสัชบริขารอันมีค่ามากเอาทำไมยาแพงๆพันสมมาณะเนี่ยควรทำยาด้วยน้ำมูดเน่าก็ได้หรื อ, รอด้วยชิ้นลูกสมองก็ได้นั่นเป็นความสมควรที่ที่ทำอย่างนี้พ่อะหร่เพราะเธอเป็นผู้มุ่งความใครจะได้มากๆก็เลยแกล้งใช้จีวรที่เศร้าหมองบิณฑบาต ท, ที่เศร้าหมองใช้สอยเสยนาสนะที่เศร้าหมอง เสพขี้านะปัจจัยเพศสัตว์บริขารที่เศร้าหมองแล้วก็เลยทําตัวแบบนี้อยู่พักใหญ่เลยว่าไงพวกครหบดีก็รู้จักฟิกษุรูปนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นการหลอกลวงได้นานมากแนบเนียนมากเลยหลอกลวงอยู่อย่างนี้อยู่ระยะหนึ่งพวกครหอขที่ปกติก็เลื่อมสายอยู่แล้วเห็นท่าเลื่อมทำแบบนั้นก็เลยลิ้งเลื่อมสายถึงว่า สมณะรูปนี้นะมีความปรารถนาน้อยโอ้ยมักน้อยสันโดษวิเวกไม่คลุกคลีปรารบความเพียนมีวทาทะขจัดก็คือทุดงนะั้นเป็นพู ด, พ ด, พดคําพูดแต่แหมมักน้อยสันโดษเหลือเกินอยู่ในกระถาวัตถุเป๊ะอ่างนั้นนะ่ะนะมันลักษณะขอ ง, อ ย, งอย่างโยมหลายคนเขก็ชอบพูดลักษณะนะี้โอ้ดีดีดว่รู้ยังไงยังก็ว่าเคยไปบวชอยู่กับท่านอย่างนั้นไนงะ เนี่ยนะบางคนเนี่ยบอกโอ้ยชมอย่างงั้นชมอย่าง น, น, างนี้อันนี้ไม่ได้พูดว่าไม่ให้ชมแต่ว่าจะชมอะไรสักอย่างเนี่ยก็เพราะว่าศีลเนี่ยจะพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันานานๆบางทีเนี่ยพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมาจริงไม่จริ ง, รงเราไม่รู้รอนะเราจะเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองนะเขาจะต้องคือหลายๆอย่างเนี่ยจะต้องคิดให้ดีสมัยพุทธกาลเนี่ยเขามีเลยมีกลุ่มคารวะากลุ่มหนึ่งเป็นพ่อค้าไม้เป็นพ่อค้าผู้ใหญ่เลยแหละ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 ถ้าหากว่าไม่พระพุทธเจ้าไม่ตรัสอะไรเนี่ยเศรษฐีเนี่ยเปลี่ยนใจแน่บอกโออารหันขนาดนี้ยังศึกว่างนั้นก็จะเสียใจในวันหลังบอกเลิกนับถือศาสนาพระ อ, องค์ก็เลยบอกว่าครห บ, บดีไม่รู้รอกเลยนะนั่นเป็นครหัดผู้บริโภคกามอยู่บ้านจะไปรู้ได้ยังไงเพราะนั้นก็เอาบอกว่าเอาถวายถ้าจะทําบุญก็ปรารภสงฆ์เธอเนี่ย น, นะปรารภสงฆ์แล้วค่อยทําบุญพระ อ, องค์ก็แนะนําลักษณะนั้นนี้ก็เหมือนกัน นะบางทีถ้าเราไม่เข้าใจก็บอกอู้ท่านสันโดษนะมักน้อยสันโดษวิเวกไม่เกี่ยวข้อไม่คลุกคลีปรารความเพียนก็คืออยู่ในเรียกว่ากถาวัตถุเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ในกถาวัตถุกลุ่มกถาวัตถุทั้งหลายนีย่เรียกร้องลาบสการะได้ดีเยี่ยมกหมือนกันก็เลยเป็นผู้มีวาทะขัดเกลาวันหลังก็เลยทำไงดิคือคือยิ่งเลื่อมใสามากขึ้นไปอีกใช่ไหมก็เลยนิ ม, มนต์ให้มันมากกว่าเดิมอีก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 ท่านทั้งหลายท่านก็มีศรัทธาอยู่ทายธรรมคือของที่จะทําบุญก็มีอยู่อาตมาผู้เป็นปฏิคาหกก็มีอยู่ตอนแรกบอกอู้ทักทิพยนัยยะบุคคลผู้ควรรับทักษิณาทานนาบุญคนนาบุญคนนั้นก็คืออัตมานี่แหละอ่างนั้นเถอะเสร็จแล้วก็บอกถ้าอัตมาจากไม่รับด้วยเหตุที่อัตมาไม่รับท่านทั้งหลายก็จะเสื่อมบุญนะโฟเ็กนะว่าที่รับเนี่ยรับเพราะสงเคราะห์ท่านอัตมาไม่มีความประสงค์ด้วยปัจจัยนี้หรอก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 เรว่าเป็นคตีหน้าเก่งนะแสดงว่าท่านเล่นละครเก่งมากเลยว่ากันวัตถุแห่งโกหกกิริยาที่โกหกความเป็นผู้โกหกอันนี้เรียกว่าวัตถุแห่งตั้งวัตถุแห่งความโกหกคือการเสพปัจจัยเรียกว่าใช้ปัจจัยเพราะนั้นบางทีใครจะรู้ว่าอ้าวไปดูละครอยู่นี่วกันก็ได้จ่ายค่าละครแพงไปหน่อยนะ